ธรรมะต้องอาศัยความสงบจึงจะได้ความเราทำความสงบให้อยู่คงที่ตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่กับที่ที่ให้ส่งไปมาข้างหน้าข้างหลังจึงจะฟังธรรมนั้นได้ชัดเจนธรรมที่เราฟัง ดยส่วนมากฟังแต่สูงสูงไม่ฟังขั้นตำ่ำจะแ่ได้จริงขั้นตำ่ำต่ำก็ยังไม่ได้ต้องหาขั้นขั้นตำ่ำนี้ได้ไปก่อนเราต้องฟังสูงไปเรื่อยเรื่องต้นที่เราทำความกราบไห้ ่านับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านี้แหละเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเราแน่วแน่นเต็มที่กราบที่1นึ่งพระพุทธเจ้ากราบที่สองได้กินคุณธรรมราบที่สามได้กินคุณผสมทำความอิ่มความเต็มนี่เกิดขึ้นในใจของตนท่านีกับ